เรื่องคุแห่งกรรมจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์อามาฟังแคสตดีกันเลยแม่เป็นลูกกาพร้าตั้งแต่เล็ก เพราะยายป่วยเป็นมะเร็งตาป่วยเป็นโรคประสาทเลี้ยงดูลูกไม่ไหวจึงต้องยกลูก5้าคนให้คนอื่นแล้วต่อมาอีกไม่นานทั้งตาและยายก็เสียชีวิตแม่จึงมาอยู่กับแม่บญธรรมตั้งแต่เจ็ดขวบแม่บนธรรมของแม่นะ่ะเป็นคนจีนโบราณ เลี้ยงแม่ของลูกยังกับคนใช้โดยทำงานหนักทั้งวันปัดกวาดเช็ดถู บ, บ้านล้างจานซักผ้าเลี้ยงน้องเหนื่อยก็พักไม่ได้หาว่าอู้ทำงานไม่ถูกใจก็ถูกตีจิกหัวโครข้างฝาโอ้โหน่าสงสารให้กินข้าวเป็นกะละมัง แต่ให้กับข้าวนิดเดียวออบางครั้งแม่กินข้าวไม่หมดแอบเอาไปเททิ้งพอรู้เข้าก็เอากระมังเคาะหัวเคาะหัวจนหัวโนออแล้วก็ให้อดข้าวยิ่งกว่าทุนน้อยเมื่อกี้นี่ถ้าแม่แม่ซึ่งใจว่าคนไม่มีพ่อไม่มีแม่มันลำบากอย่างนี้ พอแม่มีครอบครัวยังไม่เข็ดเนอะมีลูกก็ไม่เคยให้ลูกลำบากหรืออดอยากเลยให้อยู่ดีกินดีกัดฟันสู้ชีวิตทำงานทุกอย่างทั้งรับจ้างซักเสื้อผ้ารับเลี้ยงเด็กและก็ค้าขายในเวลาเดียวกันเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว พอลูกลูกโตขึ้นจนเรียนจบแม่ก็ไม่ลำบากแต่สุขภาพแม่ก็ไม่ดีป่วยหลายโรคทั้งเบาหวานความดันหัวใจปวดข้อเข่าและสนหลังเมื่อปี2545หเขารับการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจหลังผ่าตัดอาการโรคหัวใจก็ดีขึ้นแต่โรคอื่นก็ยังเป็นอยู่ขณะนี้อายุ71ปี พี่สาวลูกตอนแรกเกิดเป็นเด็กที่สวยและหน้าตาน่ารักมากผิวขาวตากลมโตขนตางอนเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะแต่โชคร้ายป่วยเป็นโบลิโอแขนขาลีบตั้งพิการตลอดชีวิตตั้งแต่หนึ่งขวบช่วยตัวเองไม่ได้ได้แต่นอนนิ่ง แม่ต้องดูแลอาบน้ำป้อนข้าวให้ตลอดสาเหตุก็เกิดจากถูกน้องชายคนเล็กของพ่อคืออานเนี่ยแหละซึ่งปัญญาอ่อนไกวเปรอย่างแรงรทำให้กระเด็นตกเปรหลายครั้ง อ, อ, อมิตภาภะขนาดเชือกผูกเปรที่เป็นเชือกโดดล่มยังไกวจนขาดได้เชือกโดดล่มมันเหนียวนะ ทำให้สมองถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงรแล้วก็มาเสียชีวิตเมื่ออายุสิบสปี<อ>ต่อมาน้องชายพ่อคนนี้ได้หายออกจากบ้านไปเมื่อปีสีี่แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย<อ>ซึ่งปกติออกจากบ้านไปเป็นอาทิตย์ก็ยังกลับมาบญาติไปตามหาตามโรงพยาบาลโรงพักก็ไม่เจอเข้าใจว่าคงเสียชีวิตไปแล้วอากงของลูก เป็นคนจีนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มีชีวิตค่อนข้างลำบากหาเลี้ยงชีพด้วยการขายปลาตอนหลังก็เลิกในช่วงเทศกาลตรดจีนศาสจีนก็ยังฆ่าเป็ดฆ่าไก่เองเพื่อไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษไม่ ร, รู้เรื่องบุญบาปนรกสวรรค์จึงไม่เคยทำบุญเลย เป็นคนเจ้าโทสะอารมร้ายอากงเป็นคนแข็งแรงและก็มีกำลังมากไม่เคยเจ็บป่วยเลยกระทั่งก่อนเสียชีวิตอยู่ดีๆก็หมดแรงกินข้าวไม่ได้ต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอบ อ, หมอบอกว่าเป็นโรคน้ำท่วมปอดให้นำกลับไปดูแลที่บ้านกลับไม่ได้สองอาทิตย์ก็เสียชีวิต ก่อนตายสามเือกสุดท้ายแรงมากตายแบบตาเหลือกค้างลูกๆต้องปิดเปลือกตาให้ตายเมื่อปีสามปอายุได้8ปดสบหปีไม่คเคยป่วยเลยในช่วงที่ลูกทำงานอยู่ในวัดได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งชื่อปีปีเป็นคนค่อนข้างอาภัพก็ได้จดวันแม่ก็ยกให้เป็นลูกลุง ซึ่งลุงก็รับเลี้ยงเหมือนลูกตามใจทุกอย่างยิ่งกว่าลูกตัวเองอีกลูกของลงุงทุกคนก็รักปี๊บเหมือนน้องสาวคนหนึ่งตอนเด็กๆปี๊บจะ น, น่ารักมากเป็นเด็กฉลาดและร่าเริงแต่เมื่อโตขึ้นปี๊บก็มีเรื่องที่ฝังใจอยู่ตลอดเวลาว่า ทำไมพ่อแม่เลี้ยงพี่น้องสี่คนได้แต่เลี้ยงเขาคนเดียวน่ะไม่ได้เขาจึงไม่รักพ่อแม่และพี่น้องเลยไม่ยอมเรียกพ่อเรียกแม่แต่เรียกว่าอาแทนตามลูกของลุงแต่เรียกลุงกับป้าว่าพ่อกับแม่เมื่อปีบเรียนจบปริญญา ก็ทำงานอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามาช่วยงานของโครงการบัณฑิตรัฐอยู่สองปีหลังจากนั้นก็ออกไปทำงานข้างนอกช่วงนี้ปีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปชอบอยู่คนเดียวเ ง, งียบเงียบไม่สูงสิงกับใครเกิดอาการเครียดทางประสาทเห็นคนรอบข้างไม่ดีหมดบางครั้งก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ จะทำร้ายคนอื่นทางบ้านต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอให้ยาคลายเครียดมากินแต่ก็กินได้ไม่ต่อเนื่องปี๊บยังมีนิสยัยแปลกๆอีกคือชอบผู้หญิงด้วยกันโดยเฉพาะเกิดมาถูกใจลูกเข้าปี๊บเคยเขียนจดหมายมาสารภาพรักกับลูกหลายฉบับ แต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรปี๊บแวะเวียนมาหาลูกบ่อยๆเจนามทีรรู้จักของทุกๆคนโดยเฉพาะยามรักษาความปลอดภัยต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าปี๊บเสียชีวิตแล้วเมื่อวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2547ปี๊บไดผู้คอตายที่ห้องน้ำชั้น2ของบ้านโดยไม่มีใครทราบสาเหตุการตาย มีอายุได้ส2สองปี <c oughs> คำถาม <c oughs> โดยบากรรมอะไรทำให้แม่เกิดมากับพระพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องก ร, ก, กระจายไปอยู่กับญาติแล้วต้องลำบากแต่เล็กพอสบายขึ้นมาก็ต้องมาป่วยเป็นเบาหวาน ความดันสูงโรคหัวใจและก็อีกหลายโรคแม่พี่สาวและอาคนเล็กทำกรรมอะไรร่วมกันมาทำให้พี่สาวต้องป่วยโดยมีสาเหตุมาจากอาคนเล็กและแม่ต้องมาดูแลลูกพิการเมื่อแม่อโหสิกรรมให้แล้วยังจะมีวิบากที่จะต้องมาเจอกันอีกไหม บุญอะไรที่ทำให้อากงแข็งแรงและมีพลังําลังมากไม่เคยเจ็บป่วยทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยกินยาบำบรุงหรือออกกำลังกายเลยอีกทั้งทำกรรมฆ่าสัตว์เป็นอาจิน อ, อันนี้ก็น่าคิดเลยและในวันที่อากงเสียลูกหลานทุกคนมามากันหมดยกเว้นตัวลูกคนเดียวทุกคนเชื่อว่า อากงนอนตายตาไม่หลับเป็นเพราะห่วงลูกหลานจริงหรือไม่คะคอากงอาคนเล็กพี่สาวตาและยายตายแล้วไปไหนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าได้รับบุญที่ลูกอุทิตย์ไปให้หรือไม่อาคนก็ห้าทางสิ่งที่ปี๊ฝังใจว่า พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงพี่น้องทุกคนได้แต่เลี้ยงเขาคนเดียวน่ะไม่ได้เป็นเพราะวิบากกรรมอะไ ร, รและลุงกับป้าน่มีความผูกพันอะไรถึงได้รักปี๊บเหมือนลูกยังไม่จ บ, บทำไมปี๊บถึงได้คิดฆ่าตัวตาย <c oughs> และเคยคิดฆ่าตัวตายมาก่อนหน้านี้ไหมก่ <c oughs> อนและหลังตายมีความรู้สึกอย่างไร ตายแล้วไปไหนญาติพี่น้องจะช่วยเขาได้อย่างไรลูกเคยทำกรรมอะไรมากับปีบหรือเปล่าเขาถึงได้มาปิ้งลูกทั้งที่จะเป็นผู้หญิงด้วยกันกรบปิ้งเราไปไปไรเราอย่าเพิ่งไปปิ้งเขาเลยครอบครัวลูกยังไม่มีใครเข้าวัดเลยทำอย่างไรจึงจะให้เข้าวัดได้พ่อแม่พี่น้อง เคยสร้างบารมีมากัหมู่คณะหรือไม่ลูกกับน้องชายซึ่งเป็นลูกของอาเคยทําบุญร่วมกันมาอย่างไรจึงมาเป็นกัลยาณนนมิตรให้กันแล้วเคยสร้างบารมีมากัหมู่คณะอย่างไรคะโอ้โห <laughs> เธอถามทีหนึ่งสมกับชีวิตลําเคนนี้ลองสันนิฐานดูสิจ๊ะ บาเรื่องทั้งหมดควรจะเป็นอย่างไรนึกไ่ออกให้บอกฝันในฝันแม่เกิดมากรรมพระพี่น้องกระจ า, ะจายไปอยู่กับญาติเพราะเพราะพี่น้องต่างก็มีกรรมเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไปส่วนแม่เราม่ว่าจะพ่อแม่ดีกว่า มีกรรมแน่ดีคือไม่ค่อยได้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงทำให้มีบุญทางด้านนี้น้อยกับกรรมที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์เอาไว้เพื่อค่าขายเช่นหมูเมื่อแม่หมูคลอดลูกจะลูกหมูอย่านมนะก็ ค่าแม่หมูขายอีกทั้งทําทานมาก็น้อยจึงทำให้มาเกิดในครอบครัวที่ยากจนทาทานมันน้อย ก, ก็จะมาเกิดอย่างนี้แล้วก็ตั้งกรรมพร้าทั้งกรรมรัติบาตททิค่าหมูขายในอดีตเป็นประจำและค่าสัตวธรรมอหารในปัจจุบันจึงทำให้มาเป็นเบาหวานความดันหัวใจและอีก หลายโรคจ้ะแม่พี่สาวอาคนเล็กมีกรรมเฉพาะตัวคือพี่สาวน่มีกรรมปานาติบาตบก็เรื่องมีอยู่ว่าพี่สาวได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมในสังคมเนี่ยได้ฆ่าสัตว์ขาย คือรักต้องฆ่าเงี้ยรักจัดแต่ฆ่าขายโดยส่วนใหญ่จะฆ่าเองก่อนฆ่าก็จะมัดขาสัตว์ทิ้งไว้เป็นวันๆเพื่อให้มันไม่มีแรงดิน้นจะได้ฆ่าง่ายๆจึงทำให้ชาตินี้มาเป็นโปลิโอแขนขารีบและกรรมปานาธิบาทนี้ก็บีบคั้น ทำให้อาเขเล็กซึ่งก็ไม่ได้มีเวรกรรมกับตัวนะมาทําให้ตัวเองเจะป่วยเนี่ยตังกรายเปลเนึกออกไหมเ ช, ชื่อขาดเลยไม่ได้มีกรรมกันเลยนะแต่กรรมของแม่กรรมของแม่นี่แหละบีบคั้นดึงดูดให้อาเขเล็กซึ่งติ้งต้องอยู่แล้วเนี่ยมาทําอย่างนี้ส่วนกรรมของแม่ที่ต้องมาเลี้ยงลูกพิการเพราะ กรรมในอดีตในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมอ่ะได้เลี้ยงสัตว์ขายให้คนซื้อเอาไปฆ่าเป็นส่วนใหญ่ฆ่าโดยตัวเองเน่เป็นส่วนน้อยและการที่ไปอนุโมทนาบาปโดยเห็นคนเขาเอาสัตว์ไปที่ไปส่งที่โรงฆ่าเห็นเํามัดมือมัดขาสัตว์แล้วฆ่าตนก็มีจิตยินดี ตัวก็มีอาชีพนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้สะดุง้งสะเทือนแล้วก็เห็นก็เอ อ, อดีอนันโนสนาบาปนี่เลยต้องมานั่งเลี้ยงอุติมีกรรมอย่างนี้ที่อากองแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเลยทั้งที่ไม่เคยกินยาบำรุงหรือออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายเลยอีกทั้งปัจจุบันก็ฆ่าสัตว์เป็นประจําจริงกรรมฆ่าสัตว์ที่มันน่าจะมาตัดรอน ก็ตัดรอนแต่ยังไม่ให้ผลก่อนที่ยังไม่ให้ผลก่อนเพราะบุญที่ชาติในอดีตอากองเนี่ยบอกยาให้เขาน่ยบอ ก, บอกยาบอกสูตรยาให้ตำรายาให้ออจดยาสูตรยาให้เนี่ยให้ยาแก่เพื่อนบ้านและคนในหมู่บ้านเป็นหนึ่งนิด เ, เป็นประจําเลย อบุญนี้ส่งผลให้ก่อนก่อนกรรมฆ่าสัตว์บุญนี้จึงช่วงเมื่อก่อนจึงแข็งแรงทั้งทาไม่ได้กินยาบำรุงหรือไม่ได้ออกกาลังกายเลยอันนี้มาให้ผลก่อนแต่ตอนตายอากงตาเหลือค้างเพราะเห็นกรรมนิมิตสัตว์ที่ตัวเองฆ่ามาลุมล้อมเต็มไปหมดเลยเออไม่ใช่เพราะห่วงใ ย, ยใครครับ ไม่ช่ห่วงย้ายลูกหลานจนนอนตาไม่หลับในกรณีนี้เป็นเพราะว่าสัตว์ที่ตัวข้าเนี่ยมันมารุมเงินเห็นภาพเกิดขึ้นมามาฉายเห็นตาเลือกเครงอากองตายแล้วก็ อ, อยู่โยมโลกจ้ากำลังถูกเฉือนคอและถูกชํำแหลกสดๆเลยอ่ะ ทำแหละตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากเพราะกรรมปาณาติบาตของตนได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่หมดกรรมจาให้ทำบุญทุบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆโดยเฉพาะวันพระใหญ่นะหรือทุกวันพระนะร่ละอาคนเล็กเนะี่ยตายแล้วนะ่ไปเป็นวิญ ญ, ญาณอร่อนเร่ ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไ ร, รได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่หมดกรรมเพราะกายละเอียดยังติ้งต้องปัญญาอ่อนอยูออ่ติดไปด้ว ย, วย อ, อิอปิชาก็ต่างไปเกิดเป็นคนปัญญาอ่อนอีกด้วยกรรมสุราถ้าเราพร้อมที่จะเป็นคนติ้งต้องปัญญาอ่อนคนบ้าคนบ้าอคนอะไรต่งางๆเหล่านี้นงเราเป็นโลกหลายๆโลกนี่ จงดื่มสุราเมลยัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเถิดเดี๋ยวสมหวังอยากไปมหานลกอุษานลกยมโลกขุมห้าเนี่ยจงดื่มสุราเมลยัย บ, บุรีอยาเสพติดและเดี๋ยวจะสมหวังดังใจดีเดียว <c oughs> พี่สาวตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเด็กผู้หญิง แต่ก็ยังเป็นโปริโออยู่เกิดมาก็ยังเป็นโปริโอพักกรรมนี้มันยังไม่หมดทำทีงไปใช้หลายที<อ>ทำครั้งใช้หลายชาติ ค, คือพิการเหมือนเดิมเพราะยังไม่สิ้นกรรมรยังรับบุญไม่ได้<อ>ยังไม่รู้เรื่องรู้ลาเป็นมนุษย์อยู่นี่เห็นมทำทีหนึ่งใช้ยาวเลยนะคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นผีตีนลงตีนสาน มีความมันอยู่ลำบากอยู่แถวสารเจ้าแล้วกาลียก็ยังมีอาการสติไม่สมประกอบเหมือนตอนเป็นมนุษย์ด้วยกรรมสู้ราอีกเหมือนกันครับขณะกาลียก็ยังติ้งต้องนะยังเมาไม่สางเลยได้รับบุญแต่ยังไม่หมดกรรมจ้ะเพราะฉะนั้นเจ้าของโรงผลิตนี่เตรียมตัวไว้ให้ดีๆลเดี๋ยวผลิตจำหน่าย กระทั่งโปรโมชั่นแรงนาพวกนั้นถึงคอนเซปต์ถ้าผู้พิษก็ตัวโตหน่อยสัตว์โลกยิ่งตัวโตยิ่งอายุยืนนะแข็งแรงรอายุยืนจะได้รับทุกทรมานมากแค่เดียวแหละตัวใหญ่ๆเนี่ยยืน อ, อาเจียนออกมาเป็นน้ำกรดสีดำ ร้อนทุกทรมานมากคนนึ่นเขาผู้เสพนี่หมดกรรมไปแล้วขึ้นไปแล้วนยยียย oh. ยว่ยังอยู่เลย oh. ผู้ขายหมดกรรมไปแล้วยังอยู่เลยผู้อเย็นอะไรต่างๆ oh. แตผ่ผู้ผลิตยัง oh. ตัวมันโตไม่เท่ากันก็ลดหลั่นลงมาถ้าดื่มน้อยกัตัวเล็ก oh. ตัวเล็กก็ทีละรมน้อยรมน้อยตัวน้อยน้อยก็ค่อยๆดื่ม <laughs> <c oughs> ได้เงี้นแหล ะ, ออะคุณตาได้รับบุญแต่ยังไม่หมดกรรมด้ย ค, คุณยายตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แต่ยังยากจนอยู่เพราะทำทานมันน้อยอยังรับบุญไม่ได้จากคุณยายสิ่งที่ปี๊ฝังใจว่าพ่อแม่ไม่รักตัวแล้วต้องถูกยกข้าไปเป็นลูกบุญธรรมของลุง ระ ก, กรรมเจ้าชู้ เ, ออเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นนะ่ะตัวเธอเองน่ะเป็นผู้ชายมีนิสัยเจ้าชูมีภรรยาและลูกแล้วแต่ก็ยังไปมีภรรยา น, น้อยต่อมาก็เลิกกับภรรยาหลวงตัวภรรยาหลวงก็มีสามีใหม่ต่างก็จะไม่ยอมรับผิดชอบลูกของตน คือแยกก็ไปเป็นไปมีครอบครัวรเลยยกลูกของตนไปให้กับญาติตามทันไหมทานครับด้วยกรรมนี้ตัวเองจริงถูกยกให้ไปเป็นลูกของคนอื่นบ้างทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสมอ อ, อีกสั่นกรรมเจ้าชูนั้นนะ่ะจริงทำให้เกิดจิตวิปริตมารักชอบเพศเดียวกันจะ้ะ<อ>ชอบไม้ป่าเดียวกัน ลงกับป้าน่ะรักปิ๊บเหมือนลูกเพราะลงกับป้าน่ะเป็นคนใจดีมีเมตตาเลยเลี้ยงดูอย่างดีและในอดีตก็เคยเกื้อกูลกันมาปัจจุบันก็มาเกื้อกูลกันต่อจ้ะปิ๊บคิดข่าตัวตายกับพระกรรมเจ้าชู้ในอดีตและเศษกรรมสุรา ได้ไปหลอกผู้หญิงเอาไว้เยอะได้แล้วก็ทิ้งเป็นอย่างนี้เสมอจงกรังต่อมาเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ถูกทิ้งเนี่ยเสียใจเพราะโดนหลอกจึงได้ฆ่าตัวตายจ้ะกรรมนี้จึงมาบีบคั้นให้ตัวต้องมาฆ่าตัวตายบ้างเมื่อตัวผูกคอตายแล้วปกติจะต้องไปอบายเนี่ย จะคือจะต้องถูกลากไปเลยอย่างน้อยในยมโลกแต่บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนานอุ้มเอาไว<อ>้จึงไม่ได้ไปอบายเลยหมดระกาศไปศึกษาชีวิตในยมโลกได้วนเวียนอยู่ที่บ้านเมื่อตัวผัวขอตายแล้วปกติจะต้องไปอบายแต่บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอุ้มไว้ <zur> จึงไม่ได้ไปอบายสมใจได้วนเวียนอยู่ที่บ้าน โดยเวียนมาผูกคอตัวเองในห้องน้ำเสมอๆเห็นมเพราะกรรมสุราหนุนในชาตินั่นเห็นไหมดึกสุราหมุนทําให้มีความคิดย้ำคิดย้ำทำว่าอยากตายอยู่ตลอดและก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วจึงพยายามอยากจะมาผูกคอตาย เลวคิดอยากที่จะตายต่อซ้ำๆอย่างนี้แปลกป่ะแปลกครับกาสุรานี่มามาเสริมตอกย้ำๆเพราะนั้นใครอยากเป็นอย่างนี้จงไปดื่มสุราซะเดินก็ไปถ้าอยากเป็นอย่างเงี้ยแปลกไหมแปลกมักจะเข้าไปผูกคอตายแล้วก็จะมีอายตนะเชือกกับคอนี พอดีกันพอปุ๊ allora บตายที่เกิดเกิดใหม่อะออกไปใหม่มมเดินโซซโซอยากผูกคอตายห้องน้เอากลับเข้า <โ that S 1> มาใหม่เพราะยังไม่รู้ว่าตัวตายมันวุบดับบุบเกิดใหม่อะอย่างเงี้ยวนวนเวียนเนี่ยญาติพี่น้องจะช่วยเขาได้ก็ต้องทําบุญใหญ่เพราะตอนนี้ยังอยู่ตรง น, นั้นอยู่ในห้องน้าไปเดินเข้าไปดูเดี๋ยวเจอจะช่วยเขาตอนนี้ต้องทำบุญใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งเช่น กรถิ่นจกกักระพัดเป็นต้นแล้วอาทิศไปให้จะต้องเอาบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งจะได้หลุดจากตรงนั้นต้นลูกก็ไม่ได้มีกรรมอะไรกับเขากับปีป๊บละไม่ได้ไปปิ้งตอบเขาถ้าลูกปิ้งตอบเขาก็มีกรรมด้วยกันแหละคงเคยทํากันมาแต่นี่ไม่มีกรรมกับเขาและเขาก็ไม่ได้ปิ้งลูกคนเดียวยังไปปิ้งกับอีกหลายคนจ้ะลูกเกือบเสียท่าแล้ว มัวไปคิดตัวเองว่าเขาจะนำมารักตัวแต่เริ่มคิดไปว่าเขาก็รักคนอื่นด้วยพ่อแม่พี่น้องก็เคยสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะมาบ้างปัจจุบันก็ให้ชวนมาสร้างบา ร, รมีร่วมกันอีกเยอะๆให้ไปชวนบ่อยๆนะลูกนะแต่ต้องอดทนหน่อยนะลูกกับน้องชายซึ่งเป็นลูกของอามาเป็นกัลยาณมิตรกันเพราะทั้งคู่นี่ย เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมามากกว่าทุกคนในครอบครัวตัวลูกเองชาติในอดีได้เคยแต่งงานมีครอบครัวต่อมาได้มาเจอหมู่คณะตอนปลายชีวิตได้ปฏิบัติธรรมเห็นโทษภัยในชีวิตการครองเรือนจึงอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญว่าพบชาติต่อไป ให้ขาวัดตั้งแต่อายุไม่มากและประพฤติโปรหมจัน oh. ชาตินี้ลูกจึงสมปรารถนาได้ขาวัดตั้งแต่อายุน้อยจ้า oh. ส่วนน้องชายลูกของอ่าชาตินั้นก็คือลูกชายนั่แหละ oh. ที่แม่นำเขาวัดมาสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะจ้า oh. ก็ลูกชายแหละ oh. ลูกชายลูกกแหละ oh. ชาติได้ใคสร้างบา ร, รมีให้ได้ตลอดรอดฟัง ลาติฐานจิตไปด้วยสิทธบริวงบุญวิเศษด้วยกันจาเอาลรามาดูภาพกันหน่อยคุณแม่เกิดมากำพร้าพ่อแม่เป็นเพราะในอดีตชาติไม่ค่อยจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ต้งองลำบากตั้งแต่เล็กเป็นเพราะทำทานมาน้อยที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันเพราะในอดีตชาติ เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ไปขายให้คนอื่นฆ่านี่แหละที่ภสษามาสีมุธเจ้าทำไให้ฆ่ามันมีเหตุว่าทำให้อายุสัน้นแล้วก็จะ็บได้ปดรุยสรรพัดโลคพี่สาเป็นบริโอเพราะในอดีตชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบฆ่าสัตว์ ก่อนข้าจะมาสัตว์ตัวนั้นไว้นานบางทีก็หลายวันเพื่อจะได้ข้างง่ายง่ายไปทําให้ท ร, รมานเานง้ยน่งตัวข้าต้องมารับการทรมานมัง่งพี่สาวและอาคนเล็กเนะี่ยไม่ได้มีกรรม ร, ร่วมกันมาแต่เป็นเพ ร, ราะกรรมพี่สาวเนะี่ยบันดาลให้อาคนเล็กมากวเปรย์รจนทําให้พี่สาวนะ่ยเป็นอย่างนั้น แม่ต้องมาเลี้ยงดูลูกที่พิการเพราะกรรมได้เคยอนุโมทนาบาปในชาติที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขายชอบไปยืนดูเขาฆ่าสัตว์ที่ลงฆ่าสัตว์ด้วยจิตที่ยินดีเพราะตัวก็ขายให้เขาฆ่าอยู่แล้ว อากองแข็งแรงมีกำลังมากพระบุญได้เคยทำทานในเพสัช ค, คือยาชอบแบ่งปัญญาและสูตรยาให้กับเพื่อนบ้านขายกิโลก็ให้ทำบุญได้ยาอย่างเงี้ยแหละกิลานเภสั์อากองนอนตายตาเหลือค้างเพราะเห็นกรรมมณีมิตรไม่ดี เห็นสัตว์ที่ตนเองฆ่านามาหลอกหลอนอากงตายแล้วไปยมโลกถูกเฉือนถูกจำแหละเดี๋ยวรับบุญเทวดาไปให้แต่ยังไม่พ้นกรรมบางทีตัวเป็นคนหัวก็เป็นสัตว์ที่ตัวฆ่าแรงรเหล่านันก็จำแหลกกันไปอากนเล็กขายสาบสูญจากบ้านปัจจุบันตายแล้วเป็นกายละเอียดรันเละ มีอาการปัญญาอ่อนเหมือนเดิมเพราะกรรมสุราน่ะรอไปเกิดใหม่อยู่ใครอยากติ้งตั้งจงดื่มสุราเดิมเข้าไปเรื่องดื่มแอลกอฮอล์เติมเข้าไปพี่สาวไปเกิดใหม่แล้วเป็นเด็กผู้หญิงมีอาการปอดอีโอเหมือนเดิมเพราะยังไม่หมดกรรมทำทีนึงใช้หลายทีทำตัวหนึ่งกับหลายทีแล้วแะ ถ้าหลายตัวก็คูณก็ไป ค, คุณตาตายแล้วไปเป็นภู ม, มิเทวชล่างเรียกง่ายๆเป็นผีตีโงตีนสา ร, รสัญญาณยไปเกิดใหม่เป็นคนแล้วปิ๊บมีกรรมจากอดดชาติเป็นผู้ชายมีภรรยามีลูกแล้วแต่ภายหลังไปมีภรรยาใหม่จึงยกโลกให้คนอื่นเลี้ยง ลุงและป้าเลี้ยงดูปี๊บอย่างดีเพราะในอดีตชาติปี๊บมีบุญเลี้ยงดูบิดามันดามาก่อนอีกทั้งยังเคยเกื้อกูลกันมารวมกับในปัจจุบันลุงและป้าก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาปี๊บคิดข่าตัวตายเพราะในชาติที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้เคยไ ด, ได้ผู้หญิงและก็ทิ้ง ทำให้ผู้ญิงคนนั้นเสียใจแล้วก็ผูกคอตายนี่ทำอย่างไรก็ได้ขน อ, อย่างนั้นแหละนะหญิงชายกร็วนวนเวียนกันหญิงก็คืออดีตผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอดีตผู้ชายเจ้าชู้ผัตายแล้วก็พอมาเกิดใหม่หลังอยากไปใช้กรรมนังถ่ายแล้วก็ต้องมาเป็นผู้หญิงพอเป็นผู้หญิงเนี่ยตัวไปทําอะไรเนี่ย ปัจจุบันตัวก็ต้องเจอพอเจอถ้าบุญตามมาทันพอทุกทรมานมากตัวก็จะเบื่อหน่ายแล้วพอมีกัลยาณมิตรนำให้เข้ามาถึงธรรมได้ปฏิบัติธรรมใจก็จะคลายจากความรู้สึกที่เป็นผู้หญิงเบื่อหน่ายในเพศนี้ก็จะสั่งสมบุญให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตพอหมดกรรมผู้หญิงก็ไปเป็นผู้ชายใหม่ ก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละวนไปวนมาถ้าลูกเครื่องก็กรรมมันยังไม่หมดไม่ว่าเครื่องหญิงครึ่งชายอะไรเนี่ยแหละวนวนไปอย่างนี้ที่ปีปิบชอบลูกเพราะกรรมเจ้าชู้จากอดีตชาติของปีปบติดมาในอยังอีกนานแต่ลูกนั้ไม่ได้มีกรรมร่วมกับเธอจึงไม่ได้สนใจโชคดีไป คลอกพวงลูกส่วนใหญ่สร้างบารมีมากับหมูะน่ไม่มากให้อดทนมีความพยายามเดี๋ยวก็จะชวนเข้าวัดได้ในอดีตชาติลูกเคยมีครอบครัวแล้วมาเจอหมณะตอนอายุมากได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมเห็นโทษของการครองเรือนจึงอธิษฐานในชาติต่อไปได้เข้าวัดตั้งแต่อายุอย่างน้อย ได้ประพฤติพรหมจรรย์มานชาตินี้ก็สมปรารถนาถ้ายังไม่หมดกันในความรู้สึกอยากจะเป็นผู้ชายมันยังไม่เกิดขึ้นนะใครๆเออมันก็ดีเหมือนกันนี่ไปที่ไหนมีคนต้อนรับดี <c oughs> ทางสะดวกอะไรเงี้ <c oughs> ก็จะเป็นผู้หญิงเลื่อยไปพอบารมีเต็มเปี่ยมเข้าได้พานได้เพศ <c oughs> เพศแม่นี่ะ <c oughs> ส่วนน้องชายลูกก็เคยเป็นลูกของลูกเมื่อก่อน ชาตินั้นก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันชาตินี้ก็มาเป็นกันต่อเป็นกัล ย, ยาณมิตรเนะี่ยไม่ใช่เป็นลูกนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสดีสั้นๆเลยจ๊ะ